คนต่อมาูชกันฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วนำไปศึกษาไปปฏิบัติไปทาศาสนาเราก็อยู่ได้ถ้าไม่มีใครฟังไม่มีใครพูดไม่มีการกระทำมันก็หมดแล้วเราก็พูดในสิ่งที่เราทำได้ เราพูดในสิ่งที่เราทําเราได้ทําเราได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทําอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> เรียกว่าสถาบันการได้พูดสิ่งที่เราได้ทําการเราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทำนั่นคือสถาบัน สถาบันของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบไม่ทุกสาขาในชีวิตของเราความทุกความดับทุกเหตุให้เกิดทุกแต่ดับทุกได้แล้วก็ศึกษาในสิ่งที่มันเป็นไปนได้เรามีสติเราสร้างสติก็รู้สึกตัวน่ะ มันก็ทำได้จริงๆริงมือเราก็มีอยู่พริกมือเราก็ลู่อยู่ยกขึ้นเราก็ลู่อยู่เราทำได้เราว่างลูกมันก็คือไม่หลงนั่นแหละถ้าตัวลูกมากๆความไม่หลงก็มีมากๆก็ทำได้จริงจริง <c> ห <oughs> มายว่ามีความหลงมันก็ถ้ามีความลู่ความหลงก็หมดไปหมดไปเป็นพักเป็นพัก ยังไม่ถาวรก็ไม่เป็นไรแต่ก็ทําไปเรื่อยๆถ้ามันไม่หลงถาวรเราก็เรียกว่ามีโลดถ้ามันหลงยากไปถาวรก็เรียกว่าเป็นกระแสเราก็ได้คิมลดต่อเป็นนิพพานก็ได้คิมดูมันไม่ปรุงมันเป็นวิสังขาร สังขารคือมันปรุงวิสังขารคือการไม่ปรุงแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้แหละอะไรมันปรุงเราก็เปลี่ยนไม่ปรุงผมปรุงก็คือความหลงความหลงคือความชิดความชิดก็ปรุงไปต่างๆนานาแล้วก็เราก็ลบมันได้เปลี่ยนได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่วันอาทิ บ, บัติ แต่วิธีที่ทําก็ทําให้มันแม่นแม่นคำวแม่นก็คือรู้แล้วนละอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็คือรู้แล้วเพราะว่ารู้แล้วนะเป็นยอดของสติแล้วเป็นคุณค่าของสตินี่คือสติปัฐานเพราว่ารู้แล้วถ้าเป็นภาษาคำพูดแต่ภาษาปรามาัสตรเนี่ยไม่ได้พูดหรอกเพราเพิกมื่อขึ้นนีน่ยรู้เนี่ยจนรู้แล้วน่เนี่ย สติปัฏฐานยกขึ้นรู้แล้วเปินไว้ไปมารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือสติปัฏฐานไม่ใช่คิดไปลู้ความคิดไปขึ่งลู่ครึ่งหลงไปต่อยตามความคิดไปอั น, นันไมใช่สติปัฏฐานถ้าสติแบบนั้นใครก็ไม่ได้จักจ้าลายถึงโกลนผู้ไรก็ไม่ได้แต่สติปัฏฐานรู้แล้วรู้แล้วเกาะอยู่ที่เดิม อยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเหมือ น, นก็ในมิตเหมือนกับเราเกาะอยู่ในหลักกลางน้ำไหลเขี่ยวเราวางเวลาใดมันก็พัดพาเราไปเราก็กลับขึ้นมาเกาะไปอยู่เกาะนานนานเข้านานเข้านานเข้ า, น า, นขาทวนได้น้ำไหลแล้วลอกแล้วลอกลอกก็ ล, ล, ลูดลูดอยู่ตรงนั้นละ ความรูดมันก็มีความชํานาญเหมือนกันให้มันชนานาญให้มันรูปบ่อยให้รูปมากๆให้รูดอยู่รูดอยู่เป็นหลักเป็นหลักมันก็เกิดความชํำนิชำนานได้เมื่เราขึ้นลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาก็ชํานาญขึ้นใหม่ๆอาจจะไม่ล้าปวดขาลาแข็ง เขาขึ้นบ่อยๆทุกวันวันละหลายชั่วโมงวันละหลายเที่ยวแต่ว่าไม่ให้เขาสูงสงวันละหลายเที่ยวหลายเที่ย ว, ยยวฉันเดินขึ้นหัวไตนะ่ะเดินใหม่ๆอาจัดทวนกระแสเหนื่อยบ้างแต่เดินทุกวันทุกวั น, วนไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรในสมัยหนึ่งไปเลื่อยไม้ตั้งแต่อยู่วัดป่าพุทธยานแต่ท่อนไม่มันอยู่ในในก้นห้วย แล้วก็ไปเลื่อยอยู่ใต้คนห้วยแต่ว่าที่อยู่ก็อยู่ข้างบนเป็นนอนอยู่ในป่าเลยเดินขึ้นเดินลงทุกวนเดินลงไปเรื่อยไหมเดินขึ้นมาเอาข่าวเอาขอ ง, เ อ, ของเอาอะไรต่างๆเดินขึ้นเดินลงเอาประมาณนั้นเมื่อก็เดินอยู่ธรรมดาไม่ได้ขึ้นไปนะไม่รู้สึกวนเหนื่อยเมื่อล้าแล้วนั่นชํานาญ <c oughs> อันนี้ ขนาดนั่นก็ยังรู้ได้ทำได้ไม่แปลกการรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเพิ่มรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆมันก็ชำนาญได้มันก็เลยลอกได้ง่ายที่จะลู้อะไรที่ไม่ได้เจตนามันก็รู้ได้อันเกี่ยวกับความรู้นะอันเกี่ยวกับความลงมันก็ยากที่จะหลงเกี่ยวกับความรู้มันง่ายที่จะลู้ทำใหม่มัน ง, ง่ายที่จะหลง ทาไปทำมามันก็ง่ายที่จะหลุความหลงมีแต่ว่าไม่ไม่ปัญหาอะไรแต่ความโค้งลงมีมีปัญหาซัดไปหลงไปจนตรงจนแดงไปเอาไปมาความหลงกลายเป็นปัญญาเป็นประสบการณ์เป็นความลูกเป็นความชัดเจนเป็นความปราถนาด้วยหลงทีไรจะได้ปัญญาทุกทีเห็นแจ้งทุกทีแต่ก่อนลงทีไรก็ลงไป ลงไปเอาไปมาความลงกลายเป็นประสบการณ์บทเรียนที่เยี่ยมยอดมาอะไรเปลี่ยนความหลงเป็นความโลดได้โอยมีค่ามากน่าไหว้ตัวเองได้ก็ยิ้มก็ยิ้มตอนนั้นหรอไม่ปัญญาก็ภูมิใจตอนนั้นละภูมิใจที่มันเปลี่ยน หลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกหนเป็นความภูมิใจจุดอ่อนของคนเราอยู่ตรงนั้นเอาความรู้เราก็ต้องสร้างนะล่ะพยันสร้างไปสร้างไปโดยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปคิดถึงวันถึงเวลาไม่คิดถึงชีวิตอะไรทั้งหมดเ ความทาความรู้สึกตัวมันถูกแล้วสมบูรณ์แล้วมันเป็นกรรมที่เจตนาที่เป็นกรรมดีแล้วแต่ตั้งต้นจากตรงนี้ก็รับรองว่าจุดหมายปลายทางของกรรมมันก็ได้ขิดไปในสิ่งที่ดีเราก็ทำอย่ือนี้แหละ เราต้องไปคิดว่าหนึ่งวันผ่านไปแล้วสองวันสิบวันอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปแล้วยังเลยไม่รู้อะไรอย่าไปประเมินความรู้ไม่ต้องประเมิน <c oughs> มันเป็นการสัมผัสที่มันเป็นความชนิดชนนานต่างหากความรู้ประเมินได้แต่ความประสบการณ์ความสัมผัสอยู่เรื่อ ย, อยมันเป็น สิ่งที่ประเมินไม่ได้มันความรู้มันความรู้นะความรู้จึกตัวคือมันรู้แล้วละ่ะรู้แล้วละ่ะอย่างนี้สาความรู้จึกตัวไม่มากก็ไม่ใช่ประเมินแล้วก็สร้างเอาสร้างเอารู้เอารู้เอารู้ไปรู้ไปไม่ต้องเอาเพศเอาไว้ไม่ต้องเอา ชาติภาษาลัทธินิกายต้องรู้สักตัวหนึง่ง <c oughs> เราก็ทำไปโดยเฉพาะรูปแบบที่เราทำมันก็ช่วยเราได้เยอะเดินจงกรมก็เป็นรูปแบบที่ชัดนั่งสร้างจังหวะก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่าอริบทื่น แต่ถ้าทําไปทําไปทําไปเนี่ยอาจจะชัดกว่าชัดอยู่ทุกข์ริบทิบตาหายใจคืนน้ําลายแต่ว่าวิธีทําไหยให้มันเป็นหลักเป็นจุดเถ้าลู่ที่มือก็ให้ลู่ที่มือไปถ้ไปจับนนท์จับนี่แต่เดินก็ให้ลู่ที่เดินไปอารมณ์หายใจก็อารมณ์หายใจลู่ไป ตั้งต้นใหม่กับฉากใหม่เดยวลื่อยไปถ้าอยู่ในฉากเดียวงันก็ทำให้พลาได้เปลี่ยนฉากทำใหม่ๆเนี่ยให้หัดเปลี่ยนฉากตั้งใหม่มันจึงจะชัดมันก็เราสอนเด็กสอนนาทีน้อยๆชั่วโมงน้อยๆล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฉากใหม่ ให้เขาได้ไม่เบื่อคีอเป็นเราบางทีเราโอมเกินไปมันก็กลัวนะพอจะนั่งสร้างจังหวะมันกลัวหรอกลัววิธีกลัวของมันก็เคอง่วงนะเครียดนั่นแหละคือจะเป็นเรื่องยากยนะั่นแหละพอในนั่งสร้างจังหวะมันเป็นเรื่องยากพาเดินจงกลงก็เป็นเรื่องยากเดินไปเล่น น, น่เนเล่นเน่ก็คือง่ายกว่ า, นะามันเครียดเกินไป ดิบเราบางทีไม่ต้องเขีน้นเหมือนวัว บ, บางตัวไม่ต้องเขีน้นมันรู้แล้วมันพยายามของเขาอยู่ของพ่อเคยฝึกกลัวเทียมเกวียนเคยฝึกกลัวเทียมข้าเทียมไถบางตัวมันรู้กว่าเรามันรู้หลบรู้หลีกเวลาไถมันถูกลากไมมในดิบเราให้รู้เท่ากับมันเลยเราพยายามเขี้นมันมันไม่ไป เที่ยนทะเลมัก็ยิ่งถอยเที่ยนทะเลมก็ยิ่งถอยแต่คนที่ไม่ฉลาดที่ไม่รู้ไม่สังเกตก็โกรธให้ควายตัวเองเที่ยนทะเลมันก็ไม่ไปหรอกมันเด็กหัวมันก็ควัดหัวก็มองหน้าเราง้อมองมองหน้าเราเฮ่ยมันอะไรกันปอบมือจกล่วงลงไปในน้ําในดินที่ไหนได้ไถมันเป็น โผล่กลาดไม่อยู่ในดินโอ้ยพออยากกราบไหว้ควยตัวเองเรามางโงต่ตั้งหากชีวิตเราบางทีก็ไม่ต้องต้องรีบมันลู้อยู่แล้วมันง่ายอยู่แล้วไม่มีใครเกิดชั่วถึงที่สุดเพียงยกมือช่างจะว่ารูดมันก็ผ่านบาปมาแล้วแล้ะ ยกมือสร้างจังหวะลู่สึกตัวมันทานบาปไปแล้วมันลอยอยู่ในกองศีลแล้วน่าจะไป อ, อะไรล่เราอยู่ในศีลเรายังไม่ลูก่ลู่อยู่เราอยู่ในสมาธิเราตั้งใจลู่อยู่ใส่ใจลู่อยู่เนี่ยเราจะหลุดไปทางไหนความใส่ใจที่จะลู่อยู่เนี่ยมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิแล้วอการลู่สึกตัวมันก็เป็นศีลรักษาศีลแล้ว รักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็เป็นศีลเนี่ยเราไม่ได้ไปด่าใครเราไม่ไปฆ่าใครไม่ไปคิดอะไรที่ไหนเราก็สำรวมอยู่ตาเราก็ไม่ได้ไปมองโน่นมองนี่หูเราก็ไม่ได้ไปชอบลุกลื่ลุกล้นไปฟังเสียงเพลงไปฟังเสียงอะไรต่างๆไม่ได้ไปเรานั่งอยู่นี่เรานุกยกมือช่างจังหวะอยู่เนี่ยมันผ่านบาปมาแล้ว มันถึงที่ได้พักแล้วเหมือนกับเรานั่งอยู่ศาลาไก่ฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ถูกเราต้งกระโดดลงไปไม่ใช่ลู่อยู่นี่ก็ถูกแล้วลู่สึกตัวอยู่ลู่ศึกตัวอยู่นี่ตั้งค่อยตั้งเหมือนกับเด็กตั้งไข่ล้มลงไปก็ลุกขึ้นนั่งลุกไม่ได้ก็พ่อแม่ก็ไป จับขึ้นลุกนั่งอ่านั่งนั่งอนั่งไปนั่งมาก็งอกงอกมากเงี้ยก็ ง, ก, ง, ง, ก, งกไปเชงกนู่นเชงกหลังเขาก็ช่วยตัวเขาพอดีเขาช่วยตัวเขาไม่ได้พ่อแม่ก็ประครองไว้นั่งไปนานวัน น, นั้นวันเขาเ จ, จงของเขาลุกขึ้นเดินได้ความการฝึกตนเองก็เหมือนกันต้องใจเย็นเย็น รอได้คอยได้ไม่ต้องรีบร้อนอผิดบ้างก็ไม่เป็นไรหัวละความผิดตัวเองอย่าไปขุ่มข่องคิดอะไรต่างๆอะไรที่มันคิดก็หัวละความคิดตัวเองอะไรที่มันผิดก็หัวละความผิดตัวเองแล้วก็อย่า อ, อย่าไปทำซ้ำ กันหัวเราะแบบความรู้สึกตัวมันหัวเราแบบท่าทายงั้นเราต้งพักผ่อนไม่ใช่พีแพ้เราทําไปทําไปมันก็เมื่อยเว้นร่างกายก็นอนลงไปนั่งหลับตาหายใจส ง, งบลงไปเราพักเพื่อจะสู้นะเราไม่ได้พักเพื่อปล่าละชัยพ่ายแพ้มันเรา ปั่นคันนาจับจอบขุดตึงติดขึ้นขันนาจับบมบมบมมันหลายชั่วโมงก็เมื่อยเขาก็วางด้ามจอบเปน็นนั่งนั่งเนี่ยตามันยังดูคันนาอยู่มันยังดูด้ามจอบอยู่แต่ ไ, ไม่ได้ทําแต่มันดูใจมันอยู่นด้นั่งแล้วหายใจนั่งเงไหลโซม ใจมันยังคึดสูู้นั่งพักตัวหน่อยลูกคนไปจับด้ามสอบได้แรงใหม่มเยี่ยวยากำลังขึ้นหน่อยจับทาไปอีกหลายชั่วโมงนั่งอีกอมไม่ได้แพ้เลยการ น, นั่งมันไม่ใช่ว่าเราจะลุ่มตดวัตะเพือเลยมันก็เอาไปมาก็เจ็บใครได้ป่วยไม่ไหวบางคนนะ ปัสสาวะเป็นเลือดก็มีสมัยก่อนการทําความเพียรการเดินจงกรมบองคนเพื่อนของผมเนี่ยใส่เลื่อนก็มีผมก็ทําท่าจะเป็นเหมือนกันชวนกันไปซื้อกางเกงชั้นในมาใส่ผมไม่ใส่อเอาไปมามันหายยังไงไม่รู้่ะหาเลยแต่ก่อนเจ็บต้วยเดินไปบอกก็ขาก็แตก แล้วให้ไม่แตกเลยอะไข่ก็ไม่เลื่อนเลยหายไปไหนไม่รู้สมมติาจะเป็นมันอะไรไม่รู้ทำให ม, ม่เนี่ยหลายเรื่องหลายราวองค์ก็จะเป็นไข่เป็นร้อนเป็นหนาวไปไม่เป็นไรไม่ไปกลัวอะไรก็ตามหรือว่ามันก็ไม่ได้ใช้ชนะมาผีๆมันต้องสู้กัไปเลยหลายๆอย่าง การเจริญสติสู้กับความหลงที่มันเกิดขึ้นกับอาการต่างๆของกายของใจบางทีก็เรื่องของร่างกายก็มีเหมือนกันเดินจนกบขาแตกเด่นได้มันก็ไม่แตกมันก็เป็นความสำนานของมันเ่ยการกระทานี่ <c oughs> เราไม่เก่งกว่าธรรมชาติบางทีธรรมชาติจะจัดสรรตัวเราจัดสันตัวเราบางก็คนตัวเนี่ยปวดเมื่อยนิดหน่อยกินยาปวดหายทันใจเพื่อจะเอาชนะการปวดของร่างกายพอมันง่วงอ้อไปนอนซะเพื่อจะให้มันหายง่วงอ่าอะไรนิดหน่อย ไอนิดหน่อยเอากินยาเอไาทายนิดหน่อยกินยาเก็ไปมาไม่เก่งหรอกสู้แบบปล่อยปลอยลองดูทำถ้าจะเป็นหวัดเป็นไข้นิดหน่อยเลือกทางที่ไม่ต้องกินยาไว้ก่อนปล่อยให้มันช่วยตัวมันเองใช่ไหมคุณหมอ <laughs> อย่าคอยที้แจงนั้นนะบางคนเนี่ยปวดอะไรเล็กหน่อยกินยาแล้วไอนิดหน่อย หลวงพ่อใหญ่หนูถ่ายอมาข อ, อยากับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มาซาเลยเอ้ยมาาอะไ ร, <c oughs> ะไรให้มันถ่ายสักสองวันนี่ก็ไม่เป็นไรเราก็กลัวตายไม่กลัวอะไรถ้าไม่กินลองดูให้มันถ่ายแต่ถ่ายหลวงพ่อเคยนะข อ, ขอไปไปอยู่สวนโมกไปอร่อยสิบสี่ไปจะ ม, มีคนรู้จักสักคนแล้วเอาไปอยู่ที่นั่น มัน ก, มนก็มันก็ธรรมชาติมันก็ดีไปกินอาหารใต้ตอนกินอาหารอีสานหลุอยู่เราไปกินอาหารใต้มันก็ปรับสังเกต ด, ดูนะมันก็ถ่ายนั่นแล้วในคืนนั้นถ่ายจนเดินลงไปในห้องน้าําไม่เกี่ยไปไม่ไหวมันก็หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วก็ไม่ เราก็ได้พอดีมีกระถนุนเราก็ได้ผ้าขนุนมันนอนเอาผ้านหนุ่งเปลี่ยนออกก็ผ้าขนุนอนนอนโต๊ะใส่กระถุนเลยได้ แ, แต่มันจะออกมันหมดแรงนะก็คิดว่าอ้าวถ้าตายนี่ก็าตายอยู่บนกตินี่แหะคงก็ไม่ใครมาเห็นอาจจะเหม็นสี่ห้าวันหกวันแต่จะมีกลิ่นเหม็นเอาพดูจะเห็นคนตายเขาคงเอาไปทิ้งแล้ว ก็คิดเล่นๆไปสนุกไปเพอเราจะไปเรียกใครมันก็ไม่มีเราก็ไม่คิดว่าจะไปเรียกใครเลยคิดว่าโอ้เอามันถ่ายมันก็ถ่ายไม่ต้องเก็บปวดต้องมองมันถ่ายสบายสายนอนใจเนีวโอ้ยสบายเลยพอมันก็ไม่รู้ว่ามันหลับหรือมันเป็นยังไงมันก็หายตัวไปทันทีพอตื่นขึ้นน่ะแข็งไปหมดเลยก้นน่ะ อ่าโคตรเลยมันแห้งติดตัวโอ้ลุกขึ้นมาลงไปอาบน้ำไม่แรงขึ้นน่อยอาบน้ำล้างซ ส, สกผ้าซักกระตีของตนล้างสะอาดไปฉันข้าวตอนเชา้าได้เพื่อนอืมมันก็เก่งนะแต่เราใจเราอะไรนิดหน่อยก็โอ้ยมันก็เก่งเลยทุกวันนี่ไม่ค่อยกินยกินยาอะไรแต่พอแก่ปวดนี่ อ่าเลิกลากันศึพษาเลิกหรอไม่ต้องไปกินมัน้งพอให้ร่างกายมันช่วยของมันธรรมดาธรรมดาอบางทีเราไปเอาชนะธรรมชาติมันก็ยิ่งอ่อนแอโครงการเจริญสติก็เช่นกันเป็นดัดไปแปลงอะไรให้ทงํง่าง่ายโลบายไม่ต้องเอานัน่นเอาเน่บางทีจุดทูบไว้ หนึ่งดอกถ้าทุบไม่หมดจะไม่ลุกเวลาเดินจุดทุบไปถ้าทุบไม่หมดจะไม่นั่งอย่างนี้ไม่ต้องหรอกทาไปเรื่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าลุลุกผมรู้สึกตัวเนะี<ม>่ยแต่อยู่ในฉากไหนเราก็จะต้องลุกถ้มันหลงก็จะต้องลุกยืนลุกอะไรก็ต้องลุกวางทีอภิปุษที่เราตั้งไว้มันไม่ทันกับเหตุปัจจัย เราจะไปลู่ล่วงหน้าไม่ได้ยุ่งกัดก็ไล่ได้ใน่การปฏิบัติธรรมจย่ไปลูกก่อนลูกเห็นก่อนเห็นถูกก่อนถูกผิดก่อนผิดเอาเหตุเอาปัจจัยเนี่ยหลงเวลาใดเปลี่ยนลู่ได้ถ้าปวดเวลาใดก็กำหนดลู่โดยการลูกกำหนดลู่โดยการมาเทากำหนดลู่โดยการละ ถึงคขาอดทนก็อดทนถึงเขาวที่จะอ่าวันเทากับบันเทาไปเดินอยู่มันปวดมันเมื่อยละสองชั่วโมงละสามชั่วโมงล้ะก็ให้มันเกินเหนื่อยไปเกินเหนื่อยไปจะให้ความเหนื่อยมาบังคับเราต้องอยู่มันปวดก็อยากให้ความปวดบังคับเรามันเกินไปสักหน่อยแล้วเราไถานาน หัดควายไถนาเวลาไถนามันไถเป็นงานพอไถเสร็จควายมันก็รู้นะพอมันเถิมันเยียบล่อมันไม่มีพอมันไถเสร็จมันก็รู้พะมันเถิดไถไม่ได้ปักแล้วพอมันเปาก็งงหน้างงล่องก็จะจะออกจากงานที่เราไถเราก็ให้มันออกไปพอออกเราไปปดทันทีมันไม่ได้บางตัวเพราะว่ามันรู้แล้ก็ออกวิ่งออกมันเคยปด วิ่งออกบางทียกไถข้ามคนาไม่ทันมันก็ปลดเมืนเวลามันวิ่งออกปลดทุกทีเวลามันวิ่งออกปลดทุกทีไม่ได้พอมันวิ่งออกเราก็ไปแรกงานใหม่อีกไถรอบอีกสองรอบสามรอบจนให้มันเดินปกติแล้วไถใหม่ๆปลดปดปลดปลดปลดดอยากให้ลองปลดไว้เราก็ไถไปแต่มันยังผิดปกติเราก็ต้องไถอย่างนี้ไถไปไถไป จนมันเดินปกติเราก็ปดกลางกลางงานหนา้าไม่ต้องออกไปตรงไหนปักไทยไปตรงนั้นแล้วมันเดินปกติก็ปักเก่าเอายืดปดไทยออกนี่เราหัดวัวหัดกวยตอนที่สุดเวลาเราต่อไปงานหนา้าพอไทยเสียันก็ไม่ได้วิ่งปดผูกปดผา ด, ดเดินธรรมดาหัดวัวัวเทียมเกียนก็เข็นกัน บางทีเกวียนกำลังติดหล่อมไปตีมันตั้งตอนเจ็บมันก็จะดันอยู่ยังไปตีมันบางทีมันดันอยู่หนักเต็มทีแล้วคนขับก็ยังไปตีมันอยู่มันก็เจ็บมันก็ปวดทิ้งแอกดิ้นก็ปวดแอกนี้ไปพราะมันถขกลมที่ได้มันดันที่ได้ตีมันทุกทีมันก็รู้แล้วว่าถ้าตกหนักอย่างนี้คนขับตีเราแล้วก็ปวดแอก เราเลยเป็นวัวไม่สู้ชีวิตเราก็เช่นกันสังขารที่มันยากนะอย่าไปถือว่าจะแพ้น่ะมันมีความชนะอยู่ตรงนั่นก็ได้ความย่งความยากแต่ความทุกข์ความอึดอัดขัดเคืองความอะไรต่างๆอาจจะวิเศษอยู่ตรงนั่นก็ได้แต่เรารู้มันว่าตัวไหนมันตกหลมลงโคลนดันเกี้ยนอยู่แล้วก็ พูดกับมันดดีโูบลังมันไปไปไปนนไหนวนไห่แดงไปมันก็ได้ใจมันก็ไปของมันไปอย่างวัวอะไรจย่างพิสารวัววัวนันทิภัยนันทินันทิพิสา ร, าสารไปแข่งกัน พอเจ้าของไปแข่งกันเพื่อจะเอาเงินพอวอัวเทียมเงินออกไปมึงคี้ข่าไอชาตหมามึงต้องไปไอค่าไอทาตไ อ, ไอด่ามันมันไม่ไปเลยเจ้าของก็แพ้ละมันเสียใจร้องให้แล้วก็เอาใหม่อีกเปลี่ยนใหม่พอเทียมเขาวหน้าเข่าหลังนี่ยก็ไอไอเจ้าพ่อไอลูกพ่อ ให้โลกข้อยังช่วยพ่อดันพาเปลี่ยนห้ารอยไปได้เลยชีวิตเราก็มาเกันต้องเคลียร์ตัวเองนะยกหนี้ให้ตัวเองคนเดินขเขาเจงก็ไม่ต้องสนใจเราเคลียร์ตัวเราเราก็คนหนึ่งละคิดอย่างนั้นเอะไว้ก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นพนระเจะ้าจะอกพระองคนั่นได้วันลุทำแล้วในวันลุเป็ น, นวันเหล่ากัญญาสี อัญญาสีวัตโพกนทันโยอัญญาสีวัตโพกนทันโยอัญญาลู่แล้วอัญญาลู่แล้วเป็นพาาระหลหันเกิดขึ้นในโลกเป็นพาาระเดียสองเกิดขึ้นในโลกเป็นรูปหนึ่งอัญญาสีอัญญาสีวัตโพกนทันโยเอาแล้ววัปปะเทียมหานามะคงจดน้อยใจเอ๊ะก็มาพร้อมกันบวทพร้อมกันทำไมเขาลู่ ก, ก่อนเราเอาจริเสียใจ แต่ว่าไม่เป็นไรว่าปปัติยะมหานามาค่ะ เ, เราก็คนเหมือนกันเราก็คนเหมือนกันนย่นี่มโ น, นธนาวันที่สองวันที่สามอไปก็โลกกันทั้งหมดเลย เ, เราจะพูดกับเราว่าลูกข้อนี่แม่นี้เราละคนหนึ่งก็ว่านี่ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็หนึ่งเขาคิดหนึ่งเราก็หนึ่งเหมือนกัน เราทำไมเราทำไมได้สมรู้ใช่ไหมนะเรลาได้วันคิดเราก็รู้ของเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ก็เปลี่ยนได้นี่แะไรอย่างนี้นะการปริบัติธรรมจัดสรรจัดการกรับตัวเองให้ถูกกาละเทสะการบรรลุธรรมอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดมบางทีฉลิบนิสัยของเราชอบเรียบเรียง่ายง่ายทำไป คนเรียนหนังสือบางคนข ย, ยันไม่หรอกแน่นอนบางคนเขาก็ไม่ข ย, ยันธรรมดาธรรมดาสอบเรียนเก่งได้ช่างสังเกตสร้างแก้จุดอ่อนของออตัวเองกําหนดรูปลายรูปลาบทเรียนขโมยเอาก็มีขโมยเอาไม่ต้องซื้อหน้ า, าช่วยโอกาสอยูตรงไหนช่วยโอกาสไปเป็นทั บ, บาทช่วยโอกาส เอ้บางทีเราได้โอกาสจะกคนอื่นเดินไปเปนทบาทด้วยกันอืนนเราชวนแว่เจ็บผักเขาคุยส อ, อนลักษณะกินผักแบบไหนเขาพูดนะแบบอะอะไรต่างๆเขาเก็บผักกาดยากขาสอนวิธีกินก็นนคุยหลงตัวไปแล้วก็ฟังเขาพูดเอ้เพื่อนของเราหลงแล้วเพื่อนของเราหลงแล้ว เราจะพยายามันไม่หลงเหมือนเขาเขาพูดอย่างนี้เสด้ว่าเขาหลงตัวแล้วนี่เราก็ช่วยโอกาสขณะที่เพื่อนหลงเราไม่หลงเราจะไปพูดแบบนี้ก็ได้ไปเรียนจากคนอื่นบ้างนี่ออันนี้ของก็จะได้ไปไปจะไปนอนพ็ษนหอ่าวันที่สิบสองชาวบ้านจะมาทําให้เอาไปส่งกันทํเลยอ๋อทำกติ ครับอร่อยแน่เจะพกันมาทาให้จะไปอยู่นั่นเสร็จจะไปวิ่งทัพเพิมกันเนี่ยครับครั กัมมดาัมัมมัิสุิโนภะวะโสัมสังฆ